بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومرسله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب ا ل و ر الميامين ومن د ب ع ه م بحسن ا إلى يوم الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسورة الأنفال ك ب ي ن ا มันสุร อ, อื่นๆเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วไม่ควรที่จะหลับหูหลับตาจากภาพรวมของสุรเพราะมันจะมีพอราอ่านพอเราอ่านกุรอ่านเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ของสุระท้งสุรอเ ร, อม า, เ า, เรามาดูดิมาอ่านมุอ่าะ วัตถุประสงค์ของสุร้อนสุร้อนนี่ทั้งหมดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเมงั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นเป็นบทบทเป็นสุร้อนไงคุณอ่านก็เป็นหกพันอายะติดติดติติดกันไปเลยแต่ที่แบ่งเป็นสุร้อนนี่เพราะแต่ละสุร้อนนี่มีวัตถุประสงค์และแต่ละอายะนี่นะก็มีวัตถุประสงค์ถ้าเราอยากจะอ่านกุณอ่านได้ประโยช์สูงสุด ต้องคํานึงถึงสองอย่างทุกครั้งที่เราได้อ่านกุรานอ่านแต่ละอยายะเนี่ยก็ถามตัวเองว่าอยายะนี้ต้องการสอนอะไรต้องการบอกอะไรกับฉันและอยายะนี้ตาแหน่งของอยายะนี้ในสุรานี่มันอยู่ในวัตถุประสงค์ไหนของสุร่าทั้งหมดเลย มันจะขยายบทเรียนที่เราจะได้จากการเรียนรู้อัลกุรอานมากกว่าที่เราคาดคิดอายะหนึ่งสุรหนึ่งจะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตัวตัวเราเองตัวฉันี้ตัวคนคนหนึ่งคนเดียวตัวข้าพเจ้า สุรานีต้องการบอกอะไรกับฉันอาญานีต้องการบอกอะไรกับฉันและยังมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสังคมและกับอุมาด้วยจึงเป็นภารกิจที่มันทับซ้อนกันว่าบางทีเราปฏิบัติหน้าที่ต่อคําสั่งสอนในคุรานในฐานะ ว่าคำสั่งสอนนี้มันเกี่ยวกับส่วนบุคคลและบางทีมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมโดยรวมเกี่ยวกับประชาชาติทั้งหมดซึ่งภารกิจของแต่ละมุมนี้นะมันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกัน การที่อัลลอสั่งให้เราได้ละหมาดเราก็ละหมาดซึ่งอายะที่ลาบ่อยครั้งในคุต้านิวอะกีมุสลัมมันก็มีส่วนที่มันเกี่ยวกับตัวเราคนเดียวคือเราจะต้องดำรงซึ่งการละมาดแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าคำว่าอะกีมุสลัมมันเป็นเผู้พลเป็นคำสั่งรวมอะกีมูพวกท่านทั้งหลายงดารง มันก็จะมีอีกมิติหนึ่งการละหมาดในฐานะที่เป็นไอบาราที่สังคมต้องต้องดูแลมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดจะมาการสร้างมัสยิดทากิจกรรมการละหมาดจะมาในมัสยิดภารกิจนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจคนเดียวป่ะเป็นไปไม่ได้ทุกคนเดียกจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องให้ภารกิจนี้ลุล่วง และนี ی ی ่คือสาเหตุที่อุลลามะได้บอกว่าคุรานนั้นน่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคำพีไม่ได้เป็นตัวตำราอ่อเป็นตำราที่มาขัดเกาว่าอบรมมนุษย์คนคนหนึ่งแต่เป็นคำพีที่มาดูแล นุเสชาิโดยรวมฉะนั้นเราไม่ควรที่จะละเลยพิจารณาภา ร, รกิจภา ร, รกิจของเราในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งในสังคมและภา ร, รกิจที่เราต้องทำร่วมกันจึงจะให้คำสั่งสอนต่างๆนั้นได้ได้มีประโยชน์ขึ้นเรื่องดีจะสัมผัสใได้ชัดนะครับ ในอายะที่ย่สิบเจ็ดเนี่ยบ่าวกระโจนไปเลยมันชั่วร้ายจีมยาเอเยียะที่นุ่นอ่านว่าแล้วจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้รับกาตช่วยเหลือจา และอัลลอฮฺสูลอดั้งหูอัมานะที่กลุ่มและจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ารู้กันอยู่ว่าอัลลอฮฺท่านละมุนย่าีฮะลดีนะอาูนุลาตูนเป็นคำห้ามกีห้าม ขียาเนียรักษาพมันี้ขียาจะแปลว่าทุจริตแปลว่าทรยศบิดพิ้วหักหลังฝ่าวื่นก็ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขียาเนี่ยมันจะมีนียย แห่งนิสัยหรือสันดานที่ที่ที่เลวด้วยมันไม่ใช่แบบคนฝ่าฝืนคนพาดคนหักหลังอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ไม่ใช่คือขียนะฮะนี่คนแบบคนมีนิสัยสันดานที่ทรยศนะที่ไม่ไม่ซื่อตรง ฉะนั้นในเนยะอีกในยะหนึ่งของคำเนี้ยห้ามคำห้ามนแราจะคู่อยู่หมายถึงว่าพวกเจ้าเย่าทุจริตก็หมายถึงว่าจงจงซื่อตรงให้ซื่อตรงซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์และ ر س ูลในบันทึ่ของอิบามบุคารีและมุสลิมท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮะสลัมได้ถือว่าเรื่องทุจริตเนี่ย รีคาอ์เนี่ยริอทอรยดเนี่ยมันเป็นสัญญาณของมุนาฟิกอายตุลมุนาฟิกสามสัญลักณของมุนาฟิกสัญญาณมุนาฟิกเนี่ยสามประการบางรายงานวกกับ่หนึ่งในนั้นน่ยว่าิ ذ ะ تومينا ขอนและเมื่อเมื่อถูกฝากของไว้หรือถูกมอบหมาย หน้าที่ไว้และรับแล้วนี่นะข้อนะเขาจะทรยศเขาจะหักหลังเขาจะฝ่าฝืนเขาจะไม่ทําตามหน้าที่อายั น, นี้เนี่ยอุเลมาส่วนมากบอกว่ามันมีที่ไปที่มาหมายถึงว่ามีสาบบุญูลสาเหตุที่อายั น, นี้ถูกประดาาลงมา ทราบกันดีว่าสุรเดลัมเฟลเป็นสุราที่ประทาลงมาที่มัดีนะซึ่งในมัณฑนาเนี่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นอายานี้เนี่ยถูกประทานลงมาหลังสงครามบัตรไม่ใช่ในสงครามไม่ใช่หลังสงครามบัตร์ทันทีแต่ส่วนมากของสุรเดลัมเฟลเนื่องจากว่าเกี่ยวกับสงครามบาตรจึงถูกเรียกว่าสุรเดลัมเฟล แล้วก็มันจะมีที่ไปที่มาที่เกี่ยวกับสงครามบัตรอย่างที่ทราบกันดีแต่มีบางอายะห์อย่างเช่นอายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาที่หลังเราก็เข้าใจนะว่ากุดอ่านนี้ก็ไม่ได้ถูกประทานลงมาส่วนมากของกุดอ่านไม่ได้ถูกประทานลงมาเป็นสุรัสุรห์เป็นก้อนก้อนยกเว้นบางสุรัฐเท่านั้นเช่นเซนสุรัสุรัสยูซุฟนี่มาทั้งสุรห์ สุรรอดยุ am, ้ยซูมันทั ben, ben ้งเรื่องไงเช่นสุรัสันอารามส่วนมากของเราลงมาทั้งสุระอดแต่บากกรรชนี่เป็นเป็นท่อนๆไงรามเฟลก็เช่นเดียวกันแล้ะสุระอดที่ไม่ได้ถูกประทานลงมาเป็นก้อนเดียวเนี่ยอ้าวแล้วทำไมมันอยู่ดีๆมาเป็นก้อนเดียวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไปดูสาฮาบ้าที่เขาเรียกเป็นอย่างนั้นเพราะ อายาไหนถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกสหายที่เขารับผิดชอบเรื่องบันทึกเรื่องจารเล็กอุปนิสัยอัลลอฮฺอับดุลลาห์อับดุลเบิร์นสั่งรห้รา ชื่อซุร้อนในกุตั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นบีเป็นเป็นคนตั้งนะแต่บางซุร้อนที่นบีตั้งมีตั้งชื่อซุร้อนตั้งแต่สมัยนบีเช่นซุรบักรนตั้งแต่สมัยนบีซุรอลอมรันตั้งแต่สมัยนบีอนี้กบุครมุสลิมเอ่อตที่ซร้อนอัลบักรนอัลอัลออลายมุรันย้อนขีดมาจะมาเสมือนเป็นเมฆสองก้อน ที่แสดงว่าตั้งแต่สมัยนบีมีชื่อสุรานี่มีชื่อแต่บางสุรานี่สัฮาบานี่มาตั้งกันทีหลังไม่ได้มีชื่อตั้งแต่ตั้งแต่สมัยท่านนบีเช่นสุรัตอัตโตบสุรัตอัลอัมฟัลเนี่ยอันนี้หลายมีหลายชื่อสัฮาบาก็ตั้งกันหลายชื่อท่านนบีก็จะเรียกสัฮาบะที่เขียนอ่ะอายานี้ไประบุ หลังอายะโนนแหะที่ถูกประธานลงมานโนนแหละที่พูดถึงเร่งโนน่อนะอายะเราจะเรจะเอ่ยอายะก่อนนั้นนะฮะฉะนั้นลำดับของอายะเนี่ยอุลม า, ามะโค่บอกว่าเป็นเตากีฟี่เตากีฟี่แปลว่าอะไรแปลว่าสฮะบะเขาไม่ดีวินิจฉัยเองว่าเจ้าอายะนี่มาดังหลังอายะนนนเนี่ยนะเนี่ยนี้ของนบีนบีเป็นคนสอนเตากีฟี่เนี่ยแปลว่านบีกําหนดเองมาจากอัลลอฮ อันนี้จะได้อธิบายว่าเอกษามอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสุรศไม่เกี่ยวกับสงครามบาดระลึกอายุดีก็มาอันนี้ก็เป็นการกําหนดของท่านนบีสุลต่าละฮ์อวยยุสลัมมันไม่ได้เกี่ยวกับสงครามบาดรแต่มันเกี่ยวกับสงครามหรือเหตุการณ์ขับไล่บรรูกุไร่อบรรูกุไรอซะนี่ก็เป็นชาวจิ๋ว ที่อาศัยอยู่ที่มดีนะยิวเนี่ยดั้งเดิมนะดั้งเดิมนี่ ม, มนะัอยู่มดีนะยิวนี่ดั้งเดิมอยู่ปาเลสไตน์นะอะอาณาจักรดั้งเดิมของอยิวอะนะก็ อ, อยู่ที่ปาเลสไตน์ไงเราความลังของอยิวนิดหนึง่งท่านอภิปรายมีลูกกี่คนฮะมีลูกสองคนอิสราเอลแอิสมาอิล ท่านนบีบรหิมเนี่เป็นคนที่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านนบีบรหิมนี่เป็นชาวอิรักนู่นน่ะมาจากอาณาจักบาบิลนนู่นน่อิรักอิรานนูน่นนะดาวอาทอิรักอ้าชาวบ้านก็ม่ยอมเพราะชาวบ้านเขาบูชาดวงดาวบูชาจเจวินบีบรหมนี่ก็ต้องเถียงกับเขาเถียงกับกษัตริย์ อันนุมรูดเนี่ยกษัตริย์หนึ่งของบาบิลูนนสถานาตัวเองเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งแต่มีอิบราฮีมก็เถียงกับเขาในสุรษัลบะกรอเขาสุดท้ายลงโทษลงโทษยังไงเอาเผาเผาแต่ไม่ไหมอ่ะอาสุดท้ายนี่ต้องไล่ไม่ให้อยู่แล้ะน บ, บีอิบราฮีมก็เลยอพยพ าพาภรรยาของท่านนิซาร์เป็นผู้ศรัทธาตอนนั้นในโลกดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยมีผู้ศรัทธาสองคนพาภรรยาไ ป, ไปไหนอะช่วงแรกนี่ก็ไปอียิปต์ก่อนฟาโรห์นี่ก็จะเอาภรรยาของท่านนับีอิบอร์ฮิมเนี่ยเอามาเป็นทาสีเป็นเป็นทาสของตัวเองจะเอื้อมือไปสัมผัสไปจับ ภรรยานี่อัลลอฮ์ก็ให้ชาให้เป็นอัมาพาตก็จะขอท่านขอท่านท่านหญิงซาร่าเนี่ยให้ขอดูอาให้พระเจ้าช่วยช่วยเขาด้วยช่วยจนสุดท้ายยอมรับว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยท่านนายบุรฮีมแล้วก็ท่านหญิงซาร่าแล้วก็ยกฮาดีเยให้ท่านหญิงฮะจัรฮะจัรเนี่ยเป็นทาสีที่จริงเนี่ยก็เป็น เป็นสายเจ้านะที่ได้มาเป็นทาสีเนี่ยเป็นทาสเนี่ยจากสงครามอ่าก็เลยเป็นทาสของฟิร่าวน์ฟิราเนี่ก็เลยยกยกให้ซารโรท่านหญิงซาโรนี่ไม่มีลูกจากท่านนบีอิบราฮิมก็เลยยกฮ ajar เนี่ให้ท่านนบีอิบราฮิมแต่งงานท่านนบีอิบราฮิมแต่งงานท่านหญิงฮา j a r เนี่ก็ได้ลูกอิสมาอิล พอได้ลูกแล้วเนี่ยก็เลยเอาทั้งภรรยาคนนี้แล้วก็ด้วยฮิกมาด้วยเหตุผลที่อัลลอฮฺสุลตานทรงรู ن ن ้เพราะองค์ท่านองค์เดียวที่รู้นะท่านฮะจารและก็อิสมาอิลก็มาเอามาอยู่ที่มักกะยังไม่ได้สร้างกาบ้านนะแล้วก็ท่านหญิงซาล่านี่ก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ชามนุ่นอะชามพอได้ ท่ ن น ي บรหิมได้ลูกชายอิสมาอีหลังจากนั้นหลายปีย์ท่านิงสารนี่ก็ได้ลูกชื่ออิสหากอิสหกนี่มีลูกชื่อยาคบยาคบนี่มีหลายชื่อนะครับหนึ่งในชื่อนั้นก็คืออิสราเอลอิสราบ้นูอิสราเอลนี่ก็คือลูกหลานยาคบนี่แหละก็คืออาลอัสบ อัสบัดนี่ก็คือลูกหลานท่านนบีอากรจากภรรยาคนหนึ่งสิบสองท่านก็ เ, เรียกกันอับสบัดแล้วก็มีลูกอีกสองคนจากภรรยาอีกคนหนึ่งก็คือยูซุฟและก็บินยามีนยูซุฟและก็บินยามีนทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยสิบสีอยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่ชามก็อยู่ที่แถวแถวปาเลสไตน์นะ ข้าอาสมาตก็คือสิบสองคนนี้ก็ที่อิฉายูซุปและกับบินยามีนอิชายูซุปก่อนก็เลยเอายูซุปนี่ไปโยนในบอ่อน้ำในในบอ่อใช่ไหมแล้วก็มีคารวานก็เลยเอาท่านเนียูซุปไปขายที่อียิปต์ก็ไปขายแล้วก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เลยซื้อมาเป็นทาสแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆท่านนยบิยูซุบจนสุดท้ายเนี่ยนบิยูซุบนี่ก็กลายเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศอียิปต์แล้วก็เรียกบิดาของท่านแล้วก็พี่น้องของของท่านเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์ตามเรื่องเรา ในสู้รถยูซุปที่พวกท่านเนี่ยอ่านกันแล้วก็จําแม่นอยู่แล้วนะคือถ้าไม่แม่นเนี่ยก็อย่าเรียกนะบังโซอะไรนี่ไม่ต้องเรียกไม่ต้องใช้เลยนะยูซุปอะไรนี่ไม่ต้องใช้เลยนะถ้าไม่รู้เรื่องอ่ะยูซุปนี่เป็นใครไอโซนนี่เป็นใครเนี่ไม่ต้องใช้แล้วนะถ้าไม่แม่นไม่ได้นะยูซุปนี่เป็นชื่อนบีบางโซโซรู้เปล่าใครไอโซนี่ใครอะรู้รู้จักกันหรือเปล่าต้องรู้จักนะและนี่คือสาเหตุว่าทําไม อยู่บรรุอิสราเอลนี่ไปอยู่ไหนอยู่อียิปถังทั้งดิทินของเขาเนี่ยตินเดลของเขานี่ไม่ใช่ียิปตินเขานี่อยู่ที่ปาเลสไตน์ไงก็ไปอยู่กันนบิยูซุฟอยู่ที่นู่นกันนะเป็นหลายศตวรรษลูกหลานของอัลอาสเบดมีขีลาบว่าตัวท่านเบิยูซุฟเองมีลูกหลานได้บ้างมีขีลาบแต่ลูกหลานก็ในวันนี้นะบรรุอิสราเอลทั้งวันนี้ลูกหลานใครอะอิสราเอลก็คือยาโคบ ยักษบบังกบกันนะตั้งชื่อยกบแล้วก็ไม่รู้วายกกบเป็นใครนี่กไม่ใช่จะขอบนะจะขอบนี่จะขอบยากษ์กบแต่สังเกตนะไม่มีใครตั้งชื่อบังอินอิสราอินกระดีนะตั้งชื่อละยุ่งเลยนะบังอินใครอะอิสราอิลฟิราอูนี่ย ผู้นําประเทศอีบเช่นเช่นทุกยุคทุกสมัยนี่ก็จะก็จะค่มเหงประชาชนทุกยุกทุกสมัยเกือบทุกยุคทุกสมัยก็เลยค่มเหงบรรดอิสราเอลอัลลอฮ์ก็เลยแต่งตั้งท่านนบีมูซาเนี่ยเพื่อจะได้ดาว่าฟิรอาห์แล้วก็ช่วยเหลือบรรดอิสราเอลช่วยเหลือบรรดอิสราเอลนี่ออกออกจากประเทศอีบไปไหนไปทินเดิมของเขาเนี่ยอัลอดุลมุบรและก็แผ่นดินที่จำเริญก็คือ ปาเลสไตน์ในยุคของท่า น, นาบีมูซานี่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรอ่ะเพราะบรรุษทรอยศคําสั่งของท่าน น, า บ, าา น, นาบีมูซามาเยอะจนนบีมูซานีเสียชีวิตและวก็ลูกศิษย์ของท่า น, นชื่อยูช่าบินนูนอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีและเป็นแม่ทัพ น, นํำพาบนรอิสรอยนี่ไปพิชิตพิชิตปาเลสไตน์ ให้เป็นถิ่นเดิมของเขาอ่ะนะให้เป็นให้เป็นอาณาจักรของเขาพอเป็นอาณาจักรของเข า, เขาก็ตั้งอาณาจักรของเขาเนอะอยู่ไม่นานนะครับไม่กี่ศตวรรษนะก็เสือเส่อมเสื่อมเสียเหมือนกันเลาก็เลยให้ท่า น, นาบีดาวูท่านอบีสุเลมานมาฟื้นคืนอาณาจักรอาณาจักรอยู่อีกครั้งหนึ่ง อีกก็ไม่นานนี่ก็เสื่อมอีกทีหนึ่งจนกระทั่งอาณาจักรเปอร์เซียนี่ไปตีอาณาจักรของยูตีแตกเลยโดยกษัตริย์นบูคัซนัสตีแตกเลยแล้วก็ในประเทศชาวยูที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ในประเทศไปอยู่ทั่วโลกไม่ไม่ให้อยู่แล้วปาเลสไตน์นี่ไม่ให้อยู่แล้วเพราะรู้ว่ายูเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ไหนนั่นก็ก่อครับกาะ ความเสียหายบนแผ่นดินเนรเทศบางส่วนนี่เนรเทศไปไหนนะบางส่วนเนรเทศไปอยู่ที่ยิมเมนอพยพบนะไปอยู่กันที่ยิมเมนที่มา ด, ดีนา ย, ยังไม่มีนะไปอยู่ที่ยมเมนทำไมอ่ะเพราะยิมเมนตอนนั้นนะ่ะก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีความเจริญมีเกษตรมีอะไรยู่ก็ไปอยู่ที่นูน่นอยู่ที่นูน่นจนกระทั่ง เกิดเหตุการณ์เขื่อนมะริบเนี่ยพังซึ่งแล้วก็เอยเหตุการณ์ของมะริบนี่ที่เขื่อนนี่พอพอมันพังแล้วเนี่ยประเทศยเมนเนี่ยก็ระเนระนาดยูเนี่ยก็เลยอพยพจากยิมเนเนี่ยส่วนมากะนะบางส่วนนี่ก็ยังอยู่ที่ยิมทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่แต่ส่วนมากนี่ก็อพยพบางส่วนนี่นะที่อพยพไปนะไปอยู่ที่มาดีนะแล้วก็รอบๆบมาดีนะหลายเผ่า หนึ่งในเผ่าที่ไปอยู่ที่มา ด, ดี น, นั่นคือบานูกุไรซะพวกนี้นะยิวทั่วโลกเนี่ยที่อพยพที่ไปอยู่เขาอ่านในคำพีว่าจะมีนบีในยุคสุดท้ายนี่เขาจะฟื้นคืนความจริงและศจะทมแล้วก็จะให้พระดํารัตของพระเจ้าได้เข้มแข็ง เ, เหมือนเดิมลึกๆในะยิวยิวเข้าใจกันเองว่า ทั้งๆที่คำพีก็ไม่ดีบอกว่าจะเป็นชาวยวนะแต่บอกว่าจะเป็นมีซายะมิซายะมาซสียเนี่ยมิซายะหมายถึงว่าเป็นนบีองค์สุดท้ายอ่ะเขาก็เข้าใจกันว่าจะจะเป็นนบีจากบ้าอิสราออลพอได้ยินว่ามีาศาสนาทูตที่ออกมาจากชาวอาหรับอ่ะยิวก็บอกว่า อันนั้นไม่ใช่เราไม่รับถ้าไม่ใช่พวกเราเราก็ไม่เอาเพราะนาบีอัลพโยไปอยู่ที่มา ด, ดีนะ่ะยิ่งต่อต้านเขาเอีกตอนนบีเข้ามาดีนะั่นี่นบีก็ไม่อยากจะมีปัญหากับยิวก็เลยทําสัญญาสันติภาพว่าเราจะไม่ทะเลาะกันนะเราจะช่วยจะเ อ, อื้อเฟื้อกันมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันถ้ามีศัตรูมาตีมา ด, ดีนะั่นนี่เรารวมตัวกันจะได้ต่อต้านศัตรูเราจะได้เข้มแข็งกันนี่ใน ในสัญญาที่ท่านนบีทำไว้กับชาวยิวทุกเผ่าแต่บรรูกุเรยโซฮเนี่ยไปช่วยชาวมักกะในสงครามสนมามเพะไปบอกว่าเนี่ยมีช่องทางโนุนนี่มาได้เอานี่จะเอาตังค์ไม่โดยช่วยจะได้จะได้มาบุกมาดีนะจัดการหามัดในเสตีเพราะหลังจากทีน่นบีได้ชนะในสงคราม อ, าอัลคันดักเนี่ย นาบีก็เลยรับคำสั่งจากอัลลอฮ์ س า ح ا ن ه และให้ขับไล่บนุกรยั่แล้วก็ประหารชีวิตคนที่ทรยศทั้งหมดของอของอยิที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ในเผ่าบนุกรซั่งในที่ที่มีส่วนร่วมในการที่จะทศในการที่ทรยศสัญญากับท่านนบีสลลัลละฮบนุกรยั่งเามีป้อมอยู่ เขาก็เลยรีบหนีเข้าไปอยู่ในป้อมท่านนบีก็เลยส่งสหบัตชาวฮันซาลคนหนึ่งชื่ออบูลุบบับะอิบนุลมุนซิรส่งไปให้คุยให้ให้ยอมให้ยอมแพ้ก็ยอมยอมแพ้กันนะอบูลุบบับะเนี่ยก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาดีนัดเนี่ย เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกับยิวเป็นเพื่อนสนิทกับยิวพอเข้าไปแล้วเนี่ยยิวก็เลยบอกว่าอบูบาบานี่ท่านก็เคยเป็นเพื่อนท่านขอแนะนำให้เราหน่อยสี่นบีมุฮัมมัดนีจ่จะเอายังไงกับเราจะทำยังไงเป็นความลับที่นาบีที่นบีไม่อยากให้ยิวรู้ไงก็คือ นบีเนี่ยจะจะประหารชีวิตคนที่คนที่ทรยศสัญญากับท่านนบีอบบดุลบาบาก็เลยพอเขาถามแล้วเนี่ยเขาก็เลยทำให้พวกชาวยูวบ อ, อย่างนี้แค่แค่ทำอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความลับที่ไม่ควรที่จะไปบอกกับชาวยูว แค่ทําครั้งเรื่องนี้เนะนะอบูอบูลูบะบารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทรยศหักหลังท่านนบีสัลลัลลอฮฺก็เลยรีบไปมัดตัวที่มัสยิดมดีนะเสาเสาที่เป็นลําต้นไม้เนี่ยตนน้นอิหมะาลามเนี่ยมัดตัวมัดตัวยืนอยู่เก้าวันไม่ยอมกินไม่ยอมอะไรเลยจนเป็นลมบอกว่าฉันจะไม่ ปล่อยตัวจนกว่าอัลลอฮฺสุภาณอวดาเราจะให้อภัยโทษผ่านไปแล้วเก้าวันเนี่ยอลอก็แจ้งนบีว่าอัลลอ์ให้อภัยแล้วสหายวะก็มาแจ้งบอกว่าเอ้าอัลล์ให้อภัยแล้วนี่ก็ปล่อยตัวดิบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยตัวจนนบีเนี่ยจะมามาปล่อยฉันเองให้นบีเนี่ยมามาแกะเชือกเองนบีก็มา มาแก่เ okay. ชือกให้อบูลูบาบาอันเนี้ยที่ไปที่มาของอาญาเนี่ยญาอัยุฮัลลดีนะผู้สรธาทั้งหลายจงยาทุจริตต่ออัลลอลลอฮซูลก็คืออย่าทรยศ์อยากหลังอบูลูบาบาสำนึกว่าเพียงแค่ชี้นะจะเอาแค่เอานิ้วชี้นี่นะอ่าเรื่องสงครามนี่ บางทีมันมีความลับบางทีมีเรื่องอะไรที่จะบอกกับศัตรูไม่ได้อบูลบาบนาเนี่ยเพียงแค่ชี้เนี่ยนึกว่าเผยความลับที่ท่านนาบีได้ฝากไว้กับกั บ, ก, บกับอบูลบาบนาเนี่ยก็เลยสํานึกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องทรอยต์ซึ่งมันมีเหตุการณ์อื่นๆนะครับที่อลมาฮ์ได้เล่าบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์เหมือนกันคล้ายๆกันเรื่องทรยศ์เรื่องักหลังเนี่ย แต่อันนี้น่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดแต่มันอธิบายอย่างหนึ่งที่ใบที่มาของอายาเนี่ยมันอธิบายอย่างหนึ่งว่าเรื่องทรยศ์เนี่ยเรื่องทุจริตมันเป็นคํามันเป็นคํากว้างมากนะแต่ต้องถามว่าเรื่องทุจริตหรือทรยศเนี่ย หุกลมของมันนี่คืออะไรคือบาปมันบาปทั้งหมดอไม่มีเรื่องทุจริตอะไรบางอย่างมักรู้ไม่มีนะมันบาปทั้งสิ้นแต่จะบาปจะบาปใหญ่จะบาปเล็กจะบาปขนาดไหนอันนั้นอันั้นก็ว่ากันตามตามขนาดแต่มันฮ า, ารอมทั้งหมดเลยอะและบางทีมันก็อาจจะเป็นมันอาจจะถึงขั้นที่บาปถึงขั้นที่ตกศาสนา ก, ก็ได้ ก็เป็นเป็นไปได้อย่างเช่นเหตุการณ์ของ50อีมเนออบบีเบลตาซึ่งมีอุลามะบาท่านบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเป็นที่ไปท um ี่มาของอัยยานี้ด้วยแต่อุลลามะหลายท่านบอกว่าไม่น่าจะใช่แต่มันก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆของอบูลูบาร์บ้าเนี uh ่ย huh. ก็คือช่วงที่ท่านนับีจะเดินทางยกกองทัพไปพิชิตมักกา ฮาติบิบเนียวิาเป็นชาวมุฮัจิรินฮาจิรินรุ่นแรกรุ่งบุกเ บ, บิกเลยนะทําสงคำบาาัตรกับท่านนาบีนะแต่ฮาติบิบนียวิลตาเป็นชาวมุฮัจิรินคนยากจนที่ไม่มีเผ่าไม่มีพักพวกที่จะดูแลทรัพย์สิสนดูแลเครือญาติของเขาเขาก็มีญาติญาติเขาดีที่เที่ยงอยู่ที่มักกะ พอนบียกทัพไปพิชิตมะกะเนี่ยเขาก็เลยเขียนจดหมายเตือนชาวมะกะว่านี่นบีกําลังยกทัพจะไปบุกมะกะแต่มสุมฮานอ้วต์อาราด้แจ้งท่านนบีท่านนบีก็เลยสั่งให้อาลีบในบิตรอดิสนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เด้งานโดยบุคลีมุสลิมเช่นกันสั่งให้อลีในบิตลอบไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางจากมาดีนาไปมะกะเนี่ย เขาซ่อนจดหมายเนี่ยของฮาติบเอเมเนซ่อนไวท้ที่ที่ผมเส้นผมของนาง mm hmm. ก็เลยเอาจดหมายนี้ก็อา่านจดหมายนี้ว่าฮาติบเนี่ยเตือน ช, ช, ชาวมักกะอันนี้อันนี้จัวร้ชชายชัดๆแต่ท่านนาบีไม่รีบเร่งในการที่จะตัดสินฮาติบทำไมอะฮาติ เป็นชาวมัวจีรินทาสองคาบัตรกับท่านนบีสฮาบะบางท่านเนี่ยได้มองเห็นเหตุการณ์นี้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจนกระทั่งโอมารุมนุนขต้อบเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากเนี่ยบอกว่าท่านนบีขอเนียที่ตัดหัวคนที่ทรยศเนี่ยคนที่ทรยศอัลลอฮ์ทรยศระซูลซะทีท่านนบีก็เลยถามฮาดิบกอนว่ามาฮะมะเลกอะเลมาฟา อะไรที่บังคับให้ท่านต้องทําแบบนี้คือมันเป็นไปไม่ได้เน่ยอยู่ดีๆนะฮะก็จะทําแบบนี้ฮะทเพื่อเลยก็เลยบอกกับท่านท่านนับดุลเบีครับพระเจ้าไม่ได้ตกศาสนาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธอิสลามนะแต่ฉันเนี่ยมีญาติพี่น้องที่อยู่ที่มกักกะและฉันเป็นคนจนฉันก็เลยเกรงกลัวถ้าเกิดสงครามระหว่างท่านกับชาวกุเรช ชาวกูด้ยเหตุเก็อาจจะจับไอคนอ่อนแอที่ไม่มีพรรคพวกนี้ก็ประหารชีวิตก็เลยทําเรื่องนี้เผื่อเขาเห็นว่าเอออันนี้ก็ไอคนนี้เป็นคนดีก็อย่าไปยุ่งกับพรรคพวกเขาอะไรเงี้ยเผื่อเป็นบุญคุณอะไรเงี้ยแค่นั้นก็หมายถึงว่ากลัวว่าชาวกูด้วยเหตจะไปฆ่าญาติพี่น้องเขาเขาเป็นคนจนไม่มีไม่มีพาเวอร์ ท่านอ บ, บีก็เลยให้อภัยแต่นั้นไม่ใช่มารวุ่มวะที่ฮาติฟทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบาปมันก็เป็นเรื่องบาปแล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ใ น, นหลักการศาสนาอิสลามาเราเห็นในะความเมตาาาาตาของอัลลอฮ์ سبحانه และเตาระเรื่องที่มันเป็นที่มันเป็นบาปใหญ่ขนาดนี้อ่ะนะ ล l l และและสังคมสามารถให้อภัยได้ซึ่งถ้าจะมาเทียบแล้วกับกฎหมายของมนุษย์นะ่ะนะคนที่ทรยศชาติอ่ะขายชาติอ่ะนะถ้าทหารนกองทัพนี่ส่งจดหมายไปให้ศัตรูอย่างงู้นอย่างนีนะ้โทษคืออะไร สถานเดียวเลยนะประหารชีวิตอย่างเดียวไม่มีนะให้อภัยไม่ได้เลยแต่นหละการศาสนาอิสลามเนี่ยอะไรที่มันเป็นบาปถึงจะใหญ่แค่ถึงจะเป็นกูฟ้นะถ้าเขาสํานึกและให้อภัยได้นี่ก็สามารถให้อภัยได้แม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นบาปใหญ่ขนาดนั้นของอบูลูบะบาเอฟนิลมูซุรก็เช่นเดียวกันได้ทําสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นมันเป็นบาปใหญ่ ที่เขามองว่ามันเป็นเรื่องทรยศหักหลังท่านนาบีที่ไปเอาความลับไปบอกกับชาวยิยแล้วก็สำนึกสำนึกในบาปนั้นแล้วก็ไปมัดตัวเองแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะปล่อยตัวจนกว่าจะให้ให้อัลลอ์สุบฮาระวาตาะได้ให้อภัยโทษชัดเจนก็ได้ให้ัทแต่ก็มันก็เป็นบทเรียน ที่ allah ص ا ن ه و ت على دينما دينما بنتني سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سن ถ้าหากว่ามองแค่ abul wabani แค่เอานิ้วใช้มือเนี่ยชี้อย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นทรยศแล้วภาษาอะไรถ้าหากว่า ได้พูดได้มีวาจาได้มีคำพูดหรือมีการกระทําที่มันยิ่งกว่ายิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้ทำอะไรที่มันเป็นการทรอยศ์ศาสนาทรอยศ์สังคมทรอยศ์ผลประโยชน์ของสังคมทรอยต์ความบริสุทธิ์ทรอยน์หลักการของสังคม กฎหมายของสังคมนี่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขียนะถือว่าเป็นเรื่องทุจริตที่สําคัญนะครับมันจะไม่เป็นบาปชัดๆนะถ้าเราไม่รู้ทําอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นเรื่องโทรยศสมมุติมีคนก่ออาวุธสักอย่างแล้วเขาไม่รู้ไอ้เรื่องนี้มันมันผิดอันนี้ก็ เหมือนบาบทุกชนิดแต่ละสมมุติว่ามีคนรับอิสลามใหม่แล้วก็อยู่ดีๆรับอิสลามใหม่ๆ ใ, ในสังคมที่แบบว่ า, าไม่ค่อยมีสอนศาสนาอะไรเลยเนี่เฮ้ยฉลองฉลองรับอิสลามซื้อมาเลยสิวายไปเต็มที่เลยมาฉลองฉลองอะไรวะฉลองรับอิสลามเอาเขาไม่เขาไม่รู้เขานึกว่าเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เลยโอ้รับอิสลามเปลี่ยนศาสนามันเป็ น, น, นเรื่องยิ่งใหญ่เอาฉลองกันเลย แล้วเขาไม่รู้อะไอ้เนี่ยกินเหล้านี่ในอิสลามมันไม่ได้แบบนี้ศา ส, สนาไม่เอาโทษไม่เขาไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้จริงทรยศทําอะไรที่มันเป็นเรื่องทรยศ์หักหลังสังคมอะโดยที่ไม่รู้จริงอก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันตุมตาลมูนโดยที่พวกเจ้ารู้กันอยู่เนี่ยเนี่ย อันนี้ที่จะเป็นบาปมหันต์เ ว, เวลาจะพิจารณาจะให้อภัยหรือจะยกโทษให้เนี่ยมันก็มันก็ต้องมีหลักฐานมันก็ต้องมีหลักฐานหักล้างเจตนาเนี่ยเจตนาที่จะทรยศทรยศจริงแบบหรือไม่ทรยศถ้าทรยศจริงอะไม่ตั้งใจหรือตั้งใจหรือตั้งใจกั้มกึงเรี่ยงไงเนี่ย น, นี้ก็ต้องมีต้องมีการต้องมีการ พิจารณาคดีนั่นแสดงว่าการทรยศเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนทำอะไรที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งทุจริตกับสังคมยกตัวอย่างที่เราเห็นกันในสังคมมากมายเนี่ยบงัง ขายาได้ไงอ่ะโอ้ลูกฉันไม่มีค่าเล่าเรียนลูกฉันไม่มีจะกินไม่มีจะกินแล้วกับมักม า, มา ข, ขายาเนี่ยให้ให้สังคมให้นะคแบบนั้นคือส่วนมากกับคนที่ขายานี่นะเขาเ ข, ข, ข, ขาเห็นภาพไหมว่าเขากําลังทรยุทธสังคมอ่ะเขากำลังทํงา ล, ทลายสังคมทั้งสังคมอเ ข, ข, ขาเห็นภาพไหม ผมว่าส่วนมากเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แบบเหมือนคนเหมือนคนที่ขายบุหรี่เยอะไหมแล้วคนที่ขายบุหรี่แล้วก็ลูกค้าที่เขาซื้อบุหรี่แต่เขาอะนะลูกค้าประจํา90อร์ซน่ะนะก็ลูกค้าประจําก็ที่สูบุหรี่ยี่สิบสามสิบปีแนะปีที่สาสิบเอดนี่นะอยู่ไอซกันหมดแล้วก็ไปเยี่ยมหู้ยปังมาได้ไงอ่ะมาได้ไงอะ กัมึงน่ะกัมึงน่ละขายบุห ร, รี่กัวรู้ไหมล่ะผมว่าคนส่วนมากที่ขายบุหรี่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไหรือไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นการเออทำลายสังคมอย่างชัดๆนะ่ะคนที่นำเข้าบุหรี่คนที่ทำบุหรี่คนที่คนที่ปลูกกระท่อมคนที่ เ ข, เขาเห็นภาพไหมเห็นพระบัวสิงเสพติดนี่มันทำลายสังคมกันผมว่าส่วนมากนี่ไม่เห็นภาพแต่บางทีเนี่ยเราก็มองข้ามไม่ได้เลยนะพวกรรยใหญ่อะไรใหญ่นี่ชัดนะซื้อยาบ้ามาสงล้านเม็ดนี่นำเข้ามาเนี่ยทำอะไร ผมเจตนาดีครับอยากให้คนสนุกสนานนะอันนี้ฟังไม่ลงเลยนะมันแล้วบางทีขึ้นศาลนี่ศาลเนี่ยไม่รับประเดเหตุผลอะไรลูกไม่มีตังค์จะกินเมียไม่ฮะไม่ไ ม, ม, ม, มีจะรักษาศาลไม่ฟังคือถ้าหากว่าแค่รับซื้อสักร้อยเม็รสองรอยเมตรจะได้มีจะได้มีรายได้บ้างนะพอด พอที่จะเอ่อนึกออกบางว่าเขาอาจจะลําบากเดือดร้อนหน่อยก็เลยอยากจะมีเพิ่มรายได้แต่เขาไม่นึกว่ามันจะมันจะขนาดนั้นคนที่ขายยาเนี่ยเขาก็เขาก็คิดในใจอนะว่าแต่ไม่คนที่ขายยานี่โอติดคุกกันหมดแต่คนที่ขายบุหรี่นี่ไม่ติดคุกสักคนหนึงทั้งนังดีทั้งนังดีคนที่ขายยา ระหว่างคนที่ขายยากับคนที่ขายบุหรี่นะอันตรายความเสียหายที่มันเกิดในสังคมแม้ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องเรื่องสรารสุขเรื่องอะไรต่างๆกันนะมันก็ใกล้เคียงกันนะ่นแหะใกล้เคียงกันเลยคนที่เข้าไอซูเนี่ยหมอเนี่ยไม่ถามหรอกดื่มน้ําท่อมป่ะกินยาบ้าป่ะเขาจะถามว่ากินเหล้าป่ะสูบบุหรี่ป่ะ เขาถามว่าบริโภคอะไรที่มันถูกกฎหมายเขาไม่ถฮะไม่เคยคนที่เข้าไอซิยูนะลงสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมทำไมอ่ะของพวกนี้เนี่ยมันถูกขายอย่างกว้างขวางโดยไม่เกรงใจไงมันถูกกฎหมายไง คนก็เลยบริโภคอย่างกว้างขวางมากกว่าสิ่งเสพติดคนที่เสพสิ่งเสพติดเนี่ยเทียบแล้วว่ะนะสม่าโคนสูบุรี่มากกว่าหรือคนที่กินยาบ้าใครมากกว่าใครสูบุรี่มากกว่าแน่นอนอ้าวแล้วคนที่เป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งฝีปากเป็นมะเร็งเหงือกเป็นมะเร็งลำคอนี่พวกเนี่ยพวกเนี่ย ก, กินน้ำท่อมมั้ยไม่ใช่ คนนว่มาบอคนที่กินน้าท่อมนี่ไม่มีเบาหวานเขาบอกว่าน้าท่อมสำหรัรักษาเบาหวานาแต่คนที่เจาะคอคนที่มาเร็งปอดอะไรนี่พวกนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากบุรีหมอก็รู้้กันน่ะแต่คนที่ขายบุรีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา ท, ทรยศสังค ม, มะเขารู้สึกมะ เ, เห็นไหมแสดงว่าการที่เราจะรู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่มีความเสียหายกว้างขวางขนาดไหนเนี่ยมันกขน็ขึ้นอยู่ที่ความสำนึกของแต่ละคนะ ถ้าทุกคนเนี่ยสํานึกกันนะอย่าว่าจะขายบุหรี่บุหรี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหีบนะม้วนเดียวก็จะไม่ขายทําไมอ่ะสํานึกรู้ไงรู้ว่ามันบาปก็เหมือนเหมือนมุสลิมรู้อะนะมุสลิมเราอะนะขายเหล้าไม่ไม่ขายทําไมอ่ะบาปบาปไม่ได้ก็ไม่ต้องขายทั้งขวดขายซิริงซิริงหนึ่ง หลอดหนึ่งหลอดหนึ่งก็ไม่ขายทำไมอะ่ะบาไมทำไมอะ่ะคือเราเออฝังฝังมันฝังลึกขนาดไหนอะ่ะเล่าเนี่ยยังไม่เนี่ขมัดขมัดนะใมขมัดให้บาปไม่ได้แต่บุรีละ่ะคนเรามุสลิมมาว่ฝังเรื่องบุรีนี่นะ่คือมากกว่าต่างศาสนิกนะมากกว่า กฎสาคนนะกฎสาคนนี่นะบุรีอันตรายกว่าอันตรายกว่าเราใช่ไหมรา้าร้านขายไอยขายสะดวกอ่ะเหล้านี่ปิดเอาเราไหมปิดมเหล้าไม่ปิดแต่บุรีปิดทำไม่ไมอ่ะเมันแปลกนะแต่ลิมเราไม่ได้เหล้านี่ไม่ได้บุรีล่ะทำไมด ออกจากมัสยิดเนี่ยดื่มเหล้าได้ไหมจับขวดเหล้าไม่ได้ยิ่งถ้าประเด็ศมุสลิมมานะประเทนมุสลิมมีเหล้านะอย่างที่ผมไปอียิปต์ไปมโมร็อกโกมันมีเหล้าหมดเลยแต่เวลาเขาซื้อเหล้าเนี่ยเขาจะต้องปิดให้ดีห่อให้ดีนปิดกระดาษปิดปิดให้ดีอย่าให้ใครเห็นตะ บ, บุรีละ่ะถือทั้งสองถือทั้งไอ้ทั้งกระสอบเลยให้โชว์ให้คนรู้เลยซื้อยี่ห้ออะไร ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกรงใจเราฟังลึกน่ะ้ฟังลึกอันที่จริงแล้วนี่เหตุผลเดียวกันน่ะนะในในในหลักการเนี่ยจะให้เราได้ให้ผู้สืานเนี่ยได้เห็นว่าเรื่องทรยุทรยศเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเห็นผลเสียหายตาม กระแสสังคมตามกฎหมายของสังคมที่สังคมต้องการให้เราต้องการให้เราได้รับรู้เหมือนสังคมเนี่กำลังกลังจะสอนเราว่าบุหรี่ก็เหมือนกันมีบุหรี่ถูกกฎหมายและบุหรี่ผิดกฎหมายมีเหล้าถูกฎกฎหมายมีเหล้าผิดกฎหมายบุหรี่ที่ถูกกฎหมายอะนะโอ้โหสูบเต็มที่เลยท่ามา แต่บุรีที่ผิดกฎหมายเนี่ยแอบสูบแอบขายกันทำไมผิดกฎหมายซึ่งมันก็บาปเดียวกันนะ่ะแต่สังคมเนี่ยสร้างกระแสรหรือมาตรฐานเพิ่มเหนือกว่าหลักการและเราเนี่ยเนื่องจากว่าให้ความสำคัญกับกระแสของสังคมของสากลมากกว่าของศาสนาเนี่ยเราจึงกลัวค้าขายบุหรีผิดกฎหมาย มากกว่าค้าขายบุรีที่ถูกกฎหมายทั้ ง, ท, งทั้งทั้งดีในอิสลามนี่มันก็บาปกันทั้งคู่แสดงว่าหลักการศาสนานี่มันไม่มีไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่ฝังลึกในหัวจใจนอายานี่มี ม, มีนัยะสำคัญให้เราได้เห็นว่าความเสียหายนี่เพราะอบบลุลบาบานี่ที่ทำนี่คืออะไรแ ค, แค่บอกศัตรูใช้นิ้วอย่างเีย ความเสียหายนี่มันไม่ได้เกิดเราอย่ามองว่ามันไม่ได้เกิดกับคนอย่าได้มองว่าขายบุหรี่แล้วลูกหลานคนนุ้นก็จะสูบบุหรี่เรายอมไหมล่ะลูกหลานของเราสูบบุหรีให้เราจะทำให้สังคมเสียหายเดี๋ยวเขาก็สุขภาพเขาแย่เดี๋ยวเขาก็ไม่มีตังค์จะรักษาพยาบาลมองแค่นี้เนี่ยเราก็เห็นเห็นภาพและความเสียหายแต่เลาไม่อยากจะให้เราได้ มองเรื่องทุจริตว่ามันเป็นการทุจริตสังคมทุจริตมนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่ละทั่วทุลล่าท่ทุจริตอัลลอฮ์ะลัยอลที่อบบลุบาบะทำเนี่ยทำให้อบูลว่านึสำนึกนะไม่ได้ทุจริตสังคมมดีนะไม่ได้ทุจริตสังคมมุสลิมเาบอกว่าเขาเนี่ยทุจริตเขาเคลียนะเนี่ย เขาหักหลังอัลลอฮ์และ رسول นี่ถ้าหากว่าเราสามารถอูกฝังเรื่องนี้ได้ตัวเราลูกหลานของเราคนที่เรารู้จักว่าที่จริงเรื่องที่อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه และก็ต่าละห้ามไม่ให้เราทํหาห้ามไม่ให้ก่อความเสียหายมันไม่ได้เป็นการก่อความเสียหายกับตัวคนอย่างเดียวแต่มันเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์และ رسول เป็นการทุจริตต่ออัลลอฮ์และ رسول อามีคนมาฝากฝากของเอาบ้างตัวจะไปฮัทนะอันนี้ฝากตังไว้สักห้าแสนนะแล้วกลับมาจะมาเอานะด้วยความรับผิดชอบด้วยชื่อเสียงของเรานี่พอเข้ามาแล้วอ่ะนะห้าแสนเหมือนเดิมหนังสติ๊กยี่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเรารักษาเนี่ยนเะหมือนเดิมนี่เนะี่ยซองก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม ทำไมอ่ะถ้าถ้าว่าเราถ้าเราเอาไปใช้เราเอาไปให้คนนูน้นไปให้คนนี้นู่นเดีวก็ไปทำฮัตในสองสามเดือนเดี๋ยวเราเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงพอมาแล้วนี่หนะ้าแสนเนี่ยอ้าวเนี่ยห้าแสนทำไมเป็นแบงเป็นแบงก์ร้อยอ่ะเอาไปใช้หนะ่อเอาไปใช้หน่อยเอ้าทำไม บางทำไมทุเรศบางทำไมหักหลังผมเนี้ยบางทำไมไม่ไม่มีอมานนะใชเราไม่ยอมเฮ้ยเราต้องรักษาอา ม, มาเรารักษานี่คืนเหมือนเดิมเลยนะซองก็เหมือนเดิมโอ้โหโถ่บางสุดยอดทําไมอะผมเป็นคนรักษาอ ม, านนะมันนะฮะอัลลอฮ์ก็บอกนี่ว่าตะคุนอมานาดิคุมแต่ในทํานองเดียวกันนะ่ะ เรื่องเรื่องอมานะนี่ของฝากกับคนมาฝากของนโอ้เรารักษาเนเกิอนะอมานะแต่เรื่องที่อัลลอฝากล่ะอะไรอะที่อัลลอฝากคำสั่งสอนอบังหมัดฝากล้านหนึ่งเยอะมามเยอะไหเยอะดิดูผมจะไปสักสามสิปีนะเดินทางไปนู่นไปทำงานไป ดูสามสิบปีผมมาแต่บางม้านนี่อยากไปทําอะไรนะล้านหนึ่งนี่ให้เหมือนเดิมนะแต่ผมจะจะหายไปสามสิบปีโอ้ยเช็คตามสบายเลยสามสิบปีเนี่ยเดี๋ยวล้านหนึ่งเราไปลงทุนไปซื้อที่แปอะไรนึงก็ทําได้หมดไม่พอมาแล้วเนี่ยอีกนี่เชิญเลยล้านหนึ่งเหมือนเดิมแบงก์เดิมเนี่ยเราก้าวยังอยู่เลยเนี่ย ทำไมอ่ะเรารักษาอะไรเรารักษาเรารักษามาเรารักษามาทําไมเหรอร้านนึงมีค่าใช่ป่ะโอ้ยค่าว่าขาดไปบาทหนึ่งขาดไปแบงค์หนึ่งเป็นเรื่องเลยเช็กลงเฟสทีหนึ่งอ่ะน้องเสียหายเลยใช่ไหมอันนี้ชีคฝากไว้ล้านหนึ่งแล้วเราฝากอะไรไว้อ่ะ ที่อัลลอฮ์ฝากไว้ในเทีย บ, บแล้วกับหนึ่งล้านน่ะพันล้านาน่ะล้านล้านในความจำนึกของเราอ่ะเฮ้ยทาไมรักษาแบบนี้นะโอผมมีอามานนะอะไรวันเกียร์มากจะอัลลอฮ์ถามว่ากูอ่านนี่ฝากไว้อ่ะเธอเจอนบีนะซึ่งหน้าอย่างเงี้ยเจอนาบีนะอยากเจอนบีกันไหมอยากเจอเนนบีซึ่งหน้าเนี่ยยังไงสุนนะของฉันยังไง เรามีคำตอบหรือเปล่าล่ะของฝากไว้อะที่จริงอุลามาก็เลยบอกว่าอันที่จริงนะอันที่จริงเนี่ยมันมันเป็นคือในสำนวนในสำนวนภาษาอับเนี่ยจะไม่ไม่ต้องใช้คำศัพท์เยอะใช้คำศัพท์แล้วก็พอที่จะเข้าใจที่จริงเนี่ยอาย่านี่นะเนื้อหาของมันเนี่ยพวกเจ้าอย่าทุจริต อามาน่าของ Allah อามาน่าของ Rasul และอามาน่าของพวกเจ้าอามาน่าที่กลุ่มมันต้องเป็นแบบนั้นพวกเจ้าอย่าทุจริตอามาน่าของ Allah อามาน่าของ Rasul อามาน่าของพวกเจ้าก็คือกล่าวคืออย่าทุจริตของฝากของ Allah ของฝากของนบีและของฝากของพวกเจ้าแต่ของฝากของพวกเจ้านี่เราได้กว่าอามาน่าอ้าวแล้วของอ l l เ h า a s u l แล้วมันก็ของฝากเมือกน่ะ หรือว่าหรือว่าไงของฝากพอ Allah บอกว่าอินโลากรุลลกวะลีกามิกวะซาอูฟตุสอลูนีุรานีนะดิกรเป็นเกียติยอดสาหรับเจ้าและกุมชนของเจ้าว่าซาอูฟตุสอลูนละอันเกี่ยะพวกเจ้าจะถูกสอบสวนจะถูกถามไหนอะเข้าคุโบนี่แคเข้าคุโบสถานีแรกเลยอะ ก่อนนี่จะไปถึงวันเกียรนะ์มันอะเข้าโกสถานี่แรกแหละไงพระเจ้าของเจ้านี่คือใครนมีของเจ้านี่คือใครศา ส, สนาของเจ้านี่คืออะไรอันนี้อันนี้แค่น้ำจิ้มของข้อสอบน้ำจิ้มของข้อสอบโอ้ข้อสอ บ, ออสอบอง่ไปวันเกียร์มันนี่ยิ่งกว่านั้น ถ้าถูกทำแล้วเกี่ยวกับเรื่องอมานะต่างๆมุสลิมก็ต้องมองหรือเห็นคุณค่าของศาสนามากกว่าที่มองเห็นคุณค่าของของวัตถุมุสลิมต้องเกรงใจอัลลอ์และรัสูล และสิ่งที่อัลลอฮฺเระซูลฝากไว้มากกว่าเกรงกลัวของฝากของมนุษย์ของฝากของมนุษย์นี่อยู่กันเนเรากลัวแค่กลัวกลัวว่าจะเอา Facebook มาประจานเนี่ยโอ้โหเฟซบุนี่ก็แย่แล้วกลัวกลัวกลัวรักษามาหน้านน่กลัวใครกลัว Facebook โอ้นี่แค่ f a c e b o o นี่ก็กลัวแล้วถ้า t ิ k ต o อกอีกล่ะ ปราชญเนี่ละตุ้บะเลยไม่ไหวแล้วเฟซบุ๊กก็คือถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เลยใช่ป่ะประจญ์เอาแล้วก็นึกว่าที่อัลละฮ์ที่เราทำเนี่ยที่เราทรยศนะที่เราทุจริตเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ดีไม่ได้จารึกไว้หรืออัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกไว้ล่ะทั้งหมดไม่บันทึก แสดงว่าอาานีกำลังพูดถึงเรื่องสำคัญของพลเมืองทุกคนที่ต้องพึงมีต่อสังคมในเรื่องความรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบของพลเมืองมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองต้องรับผิดชอบรับผิดชอบต่อพระเจ้า รับผิดชอบต่อศาสนารับผิดชอบต่อศีลธรรมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีความสำนึกรับผิดชอบเราจะไม่สามารถถึงจุดที่รับผิดชอบแล้วก็เกิดประโยชน์ในความรับผิดชอบในการที่มีอามาน่าไม่ทุจริต ประชากรคนไทยนี่พลเมืองมีอยู่กี่คนเจสิบล้านหกสิบล้านอย่างเงี้ยแต่คนที่มีอมานะอยู่สิบคนสมมตินนะปฏิชาติรอดไหมไม่รอดฉะนั้นหน้าที่บางอย่างอะนะเราทำในในฐานะที่เป็นคำสั่งต่อบุคคลนี่นะอย่าทุจริตต่อ a ลล a h ฉัน อาทุจริตต่อระสุนน่ะฉันอย่าทุจริต ต, นะร ต, ต่ออามานะต่างๆนี่ก็คือฉันแต่คําสั่งบางอย่างนี่นะมันต้องรับผิดชอบกันโดยรวมโดยรวมเพราะถ้าหากว่าบางทีคนเดียวเนี่ยถ้าทุจริตนาะคนเดียวนี่หักหลังสังคมมานะมันอาจจะพินาศกันทั้งประเทศก็ได้ ศัตรูที่สามารถบุกเมืองได้นี่เพราะอะไรเพราะมีคนส่งข้อมูลอ้าวป้อมนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะมันบางหน่อยเนี่ยเจาะได้เข้ามาได้คนเดียวคนเดียวทุกริดหักหลังโทรยศจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปลูกฝังเรื่องความสำนึก ความสัมนึกในเรื่องอมานะเนี่ยให้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นมารายาทส่วนรวมมันไม่ใช่มารายาทส่วนตัวเป็นวินัยส่วนรวมยังไงเอวินัยส่วนรวมเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเตือนกันยกตัวอย่างชัดๆให้เห็นนะให้เห็นนะชัดๆนะว่าทําได้นะถ้าเรา คำหนึงกันนะทําได้นะหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากประเทศบางประเทศนี่นะเดินไปเหอะไม่สวมหน้ากากเขาถือว่าเดินไม่สวมหน้ากากนี่นั่นนะ่ะคือนั่นนะ่ะหัวโตคนมีสมองคนมีเสรีภาพไอ้คนที่ใส่หน้ากากในไอ้พวกไอ้พวกทาสบางประเทศเนี่ยเขาคิดอย่างนั้น แต่ในประเทศเราเนี่ยที่เรามีความสํานึกร่วมเห็นไหมพอเข้าห้างไม่มีใครใส่หน้ากากมีคนหนึ่งใส่หน้ากากคนเขามองละทําไมอ่ะทั้งทั้งที่การสวมหน้ากากเนี่ยการไม่สวมหน้ากากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบาปในศาสนาพุทธนี่ก็ไม่มีนะทัยบิ๊ดุกต้องต้องใส่หน้ากากในคุณอ่านก็ไม่มีถูกต้องบ่ไม่มี แต่เนื่องจากสถานการณ์เนื่องจากความรับผิดชอบที่เราอยากจะปกป้องรักษาเรื่องสารสุขทั้งหมดนี่แหละเรามีวิัยร่วมมันไม่ใช่วิในคนเดียวแล้วนะคนเดียวนี่อาจจะรำคาญไม่อยากจะสวมนากากคุณจะรำคาญก็รำคาญแต่ในสังคมเนี่ยจะมีแรงกดดันเพียงพอที่จะบังคับให้คุณต้องมีอามานะเอ้ยต้องมีนะคราก ถ้าเราสลับล่ะถ้าสังคมเนี่ยมีอามานะใช่แต่ใครนี่ธรยศนี่นะสังคมเนี่ยต้องมีมันไม่ใช่อมานะส่วนตัวนะทํำไมบางเป็นยังไงโอ้ผมมีอามานะไม่พอมีอามานะและวแต่เห็นคนไม่มีอามานะต้องกดดันให้เขามีอมานะบังคับให้เขามีอาม า, นาเนี่ยที่ผมพูดตอนตอน้นเพราะว่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัวส่วนบุคคลนะ มันจะมีเรื่องที่มันทับซ้อนที่อิสลามต้องการให้เราเนี่มีความรับผิดชอบร่วมกันร่วมกันรับผิดชอบไม่ใชคนเดียวนะแต่ก่อนนุ้นน่ะคนสูบุหรี่และใครมาห้ามสูบุรีโอ้โหนี่โดนโดนกระทืบเลยอะ่ะพอที่หลังนี่คนเขาเริ่มรู้แล้วไงฮะแล้วก็เริ่มอ่ะถ้าท่านมีสิทธิ์ที่จะสูบบุหรี่ ข้าพเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้กินบุรีเออถ้าจะสูบบุรีนะก็ไปหาห้องขังตัวเองไปอยู่ในป่านู้นนนนนนนนน่ะเผลอๆเนี่นนนนนนยไปเจอหมีเจ อ, เจอสิงโตเนี่ยอาจจะไม่พอใจด้วยแต่อยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าคนอื่นเนี่ยเขาไม่สูบบุรีเห็นไหมไลายเป็นอภิสิทธิ์แล้วคุณไม่มีสิทธินะ แต่ไม่ใช่สิ่ที่เสรีภาพนะอยากจะสูบบุหรี่นี่ก็สูบแล้วก็พ่นคนอื่นเอ้ยเป็นสิ่งของไม่ใช่เห็นมหแสดงว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยในสังคมมันเราสามารถที่จะสร้างเมื่อนไขของความรับผิดชอบที่มันเป็นที่มันมากกว่าความรับผิดชอบส่วนตัวอันนี้เนี่ย ในขบวนการปฏิรูปสังคมมานะเวลาเราเรียกร้องเชิญชวนให้คนเป็นคนดีเนี่ยเราอย่าอย่ายอมที่จะเรียกร้องเชิญชวนเฉพาะบุคคลคุณคุณดีก็พอแล้วใช่คุณดีแล้วก็ต้องให้ครอบครัวของคุณดี ครอบครัวนี้ดีแล้วก็ต้องให้คนในซอยนี่ต้องดีไปด้วยทำไมอ่ะคนในซอยนี่ไม่มีใครเสพ ย, ยากันสักคนหนึ่งแต่พอลูกลูกเขาติดยาเ อ, าาอ้ามาไงอ่ะดีเนี่ยปากซอยนี่มีคนขายยตัใครตมันวยลูกลูกกูยั ง, ยงไม่ไดียังไม่ได้ติดเนี่มาจากอะไรอ่ะมาจากการ เรานี่จะม า, มาจากการขาดความรับผิดชอบร่วมเราไม่รับผิดชอบร่วมกับครอบครัวที่ก็าเดือดร้อนแล้วทําไมอะ่ะลูกใครลูกมันแต่ที่จริงเนี่ยมันก็คือทรยศสังคมทางอ้อมการนี้เราปล่อยให้เขาขายะการที่เราปล่อยให้คนเดือดร้อนอยู่คนเดียวต้องเผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียวนี่แหละยู่มันยังไง อยู่มันบังคับให้ประเทศอะไรทั้งหมดนี่มาทำสัญญากันไม่ทีละคนกันประเทศหนึ่งนี่ประเทศหนึ่ ง, งแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมันก็มากันเองล่ละคนที่อยากจะสร้างบารมีแห่งความแห่งความชั่วในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่โลกนี้เนี่ยไม่ไดีเกิดมาเป็นโลกแห่งความชั่วนะ อัลละฮ์ท่านนาบีบอกว่าคุณรู้ไหมว่ามนุษทุกคนนี่เกิดมาพร้อมฟิตรสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครเกิดมานี่หมักเล่าเป็นกินเหล้าเป็นสูบบุหรี่เป็นทำบุหรี่เป็นเกิดมาเนี่ยไม่มีหรอกแต่เกิดมานี่มีเมล็ดแห่งคนนุณธรรมเนี่อยู่ในใจเกิดมาเนี่ยรูั่วนี่พ่อนี่แม่นี่พี่น้องนี่เพื่อนดีกับพ่อแม่ดีกับเพื่อนอยู่ดีๆกันช่วยกันอันนี้มันอยู่ อยู่ในจีนน่ะในใต้สำนึกของไม่มีใครเกิดมานี่ทําความชั่วเป็นจะเอ๋ทาชั่วเป็นละไม่มีแล้วมันมาเป็นกันได้ไงอ่ะแค่นี้ไงมันทีละนิดทีละหน่อยและคนนี้ก็รู้ว่าความชั่วมันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็โฆษณาเขาก็เชิญชวนเขาก็รณรงค์ ที่คนดีล่ะจะให้คนนะ่ะย้อนกลับไปเป็นคนดีเหมือนเดิมล่ะเราเชิญชวนเหมือนความชั่งไหมเรารณรง์เหมือนเขาไหมเราขี้เกียจมากกว่าเขาเราไม่ลงทุนเท่ากับเขาเราไม่เสียสละเท่ากับเขา เริ وا الله ่มอยู่ที่มาดีน่าแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีคือเริ่มเป็นสังคมผู้ศรัทธาเพราอยู่มาการ์นี่ไม่ได้เป็นสังคมผู้ศรัทธาไงเป็นสังคมไม่เอาศาสนาฉะนั้นมันค่อนข้างชัดเจน คนนี่ไม่เอาศาสนาเลยกับคนที่เอาศาสนาและคนที่เอาศาสนานี่จะเข้มงวดเข้มข้น إ ي م านเขาจะเข้มข้นไม่มีเหลี่ยมคนมนี่ี ي ม ا ن นี่ก็คือยอมอยอมที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคไงแต่พอมาอยู่สังคมมาดีหน้าแล้วเนี่ยโอ้มันสังคมใหญ่แล้วมันกว้างขวาง รู้บ้างไม่รู้บ้างทำรับหลังทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครสังเกตรหรอกมันก็จะมีเรื่องความบกพร่องเกิดขึ้นในคุณสมบัติของความเป็นผู้ศรัทธาจึงเริ่มเกิด่ะเกิดพฤติกรรมอัมพางในมักกานี่ไม่มีมุนาฟิกนี่ไม่มีกาเฟรมุมิน อันเดียวในโซราที่อยู่นี่โซรามักียานี่ไม่มีม่พูดไม่ได้พูดถึงมุนาฟิกเลยไม่มีชัดเจนคาเฟตมุสลิมมุหมินชัดเจนไม่มีมันไม่มีพฤติกรรมอัมพังจะอัมพังได้ไงอ่ะคนที่เลือกมาเป็นมุสลิมแล้ว่นะรู้ว่าตัวเองต้องโดนข่มเหงต้องโดนทรมานต้องโดนซ้อมต้องตง้องแย่ทําไมอ่ะก็เลือกเอาเป็นกาเฟตหรือจะเลือกเป็นมุสลิมอ่ะเลือกเอาชัดเจน แต่พอมาอยู่สังคมมาดีหน้าแล้วเนี่ยน่นนะสังคมใหญ่มันก็เริ่มมีพฤติกรรมอัมพางเฮ้ยเป็นมุสลิมก็ได้ได้ประโยชน์แต่ก็ฝั่งนู้นมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเออเราก็กั้มถึงกั้มถึงก็ได้พอมีประโยชน์นกับนบีก็เอานบีพอมีประโยชน์กับพวกมุสริกีนก็เหมือนกันมันก็เลยพฤติกรรมเนี้ย อันนี้เนี่ยในอุดมการของมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้อัลลอฮปะนามละอิละฮะอุละอิวะละอิละฮะอุลไม่ใช่ฝั่งนี้ร้อยเปเซ็นแล้วก็ไม่ใช่ฝั่งนี้ร้อยเปเซ็นกัมกึ่งแบบนี้เนี่ยเรื่องทรยศ์ที่จริงเนี่ยมันก็ทรยศทั้งสองฝ่ายไงพอมาอยู่กับ น, นบีก็ทรยศฝั่งนู้น พอมาอยู่กับฝั่งนู้นกับธนยศนบีข้ามกึงเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอัลลอฮ์ก็อยากจะให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราทุจริตทำให้เราจะไม่มีจุดยืนทำให้เราแสวงหาผลประโยชน์จากการทุจริตเนี่ยส่วนมากนี่มันเกิดจากอะไรส่วนมาก มันเกิดจากการที่ตัวเราเองเชิญชวนตัวเราเองเนี่ยไปทำไปทุจริตหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไม่อยากจะทุจริตแต่สิ่งที่ทำให้เราทุจริตเนี่ยก็คือคนใกล้ตัวสามีเราภรรยาของเราลูกหลานของเราพักพวกของเรา เพิึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกลูกของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นฟิทน่และแท้จริง a ل l a h นั้นณพระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวงในสุรัตต์ตัวกเขาจบินนะลาสุดพระเจ้ากะลาวะอายุวัลลธินั้นอินนะมินอาวะลิกุมอาลาดิคุมอาดุวัลลกุมฟาฮะรูหุมส่วนหนึ่งของคู่ครองของพวกเจ้าสามีภรรยาส่วนหนึ่งของลูกหลานของพวกเจ้าอาดูวัลลกุม เป็นสติรูนนั้นนะช่วงที่กาตลานนั่นเกิดช่วงแตานนี่เป็นช่วงระดมเดียรอัลลอฮฺประทานลงมาตำหนิคนที่รับอิสลามที่มักกะและรู้รู้ว่ามักกนี วันดีคืนนีเด็เขาก็ยกทัพไปรบกบับนบีและตัวเองก็จะต้องโดนเกณฑ์ไปสู้รบกับนบีทั้งนั้นที่ตัวเองอะนะเป็นมุสลิมตัวเองก็อยู่มะกาไม่ยอมอพยพไปมาดีนะทำไมอะลูกลูกบอกว่าป๋าจะทิ้งเรายัางไง哟 เมียบอกว่าเดียไังเมียกดึงเอาลูกก็ดึงเอาฮะแล้วบางทีไม่มีมีมีกทัพย์สินนี่โอ้โหนี่ฉันมีการค้ามีห้างมีธุรกิจมียเรจะทิ้งได้ไงอะหลอกอะแน่นลยอาจวอูอดวัลกทรัพย์สินของพวกเจ้า ลูกๆของพวกเจ้าคู่ครองอาจจะเป็นศัตรูอิบนิกาซีบอกว่าอายะนี้กับอายะนี้คลยๆกันนะถ้าหมายถึงว่าสาเหตุที่ทำให้เราทุจริตที่เราเลือกข้างที่จะหักหลังสังคมหักหลังอัลลอฮ์หักหลั ง, Allah, ลงรอซูลเนี่ยสาเหตุเบื้องหลังนี่มันอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นทรพย์สินอาจจะเป็นลูกลกของเราอาจจะเป็น คนใกล้ตัวของเราที่เป็นบธททดสอบอะยอมที่จะทุจริตยอมที่จะอะทำไมทำไมไป้ายาละ่ะหาหาค่าค่าเล่าเรียนให้ลูกอ๋อเมียอยากได้รถบางทีบางทีงนการนที่อ้างอ้างคนอื่นเนที่เงินตัวเองเองอยากได้ โทษเองแตอยากได้ถ้าไปทำอย่างเงี้ยอ้าคนนู้นอยากได้คนนี้อยากมีคนนั้นอยากอยากได้ถึงจะอ้างอะ น, นะว่าคนอื่นเน่ยเขอยากได้คนอื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นฟิตเนะเป็นบททดสอบที่ทําเมื่อเราเนี่ต้องเผชิญหน้าฟิตเนสเนี่ยรากศัพท์ของคําว่าฟิตหนสเนี่ยคือธิบายแล้วก่อนเลยว่าฟิตเนสเนี่ยรากศัพท์ของมันในกรีกนี่ฟาตนะัน ฟันน่นเนี่ฟันน่นีมาจากอะไรฟันนนก็บเผาถ้าเราจะเอาโลหะเนี่ยให้มันให้มันใสนี่นะเอาให้มันโดนไฟให้เต็มที่เลยมันจะได้เนี่ยเราเฟตตนลฮดีดะเอาเหล็กแล้วก็ให้มันโดนไฟอ่าโดนไฟแล้วก็ตอกเอาเอาตีเอาอยากจะให้มันเป็นดาบเป็นมีดเป็นอะไรเนี่ย มันต้องโดนไฟพอโดนไฟแล้วนี่ยมันก็สามารถาสามารถหล่อได้จะทำมัจะับยงไโดนไฟจะหล่อเป็ น, เ ป, นเป็นรูปปัน้นจะหล่อเป็นอะไรอ่ะก็ต้องโดนไฟไฟตันน่ะโอนี่แหละคนเนะี่ยจะได้เปลี่ยนนะนะก็จะต้องโดนทดสอบอุลมามะบอกว่าคนเราเนี่ยก็เหมือน สสาสิ่งต่างๆเหมือนาธาตุต่างๆโลหะต่างๆคุณสมบัติของมันไม่เหมือนกันบางอย่างนี่นะร้อยองศานี่ก็ไหม้แล้วไม่เหลือแล้วบางอย่างนี่โอ้โหนี่ต้องพันกว่าองศานี่กว่าจะกว่าจะละลายนะนั่นนะ إيمان ของเรานี่ก็เหมือนกันแต่ละคนน่นนะ บางคนในอิมัลของเขาเนี่ยโดนทดนสอบนีดหนึ่งพิว้วไปแล้วไม่มีอิมานไม่เหลือเลยโดนทดนสอบนีดหนึ่งไปแล้วบางท่านคนในละมาน่ะโอ้ละมานะ อ, ะมาอะไรครับพันีมีแฟนไม่เคยละมานแค่นี้เหรอได้แฟนไม่ละมานก็ไม่ละม า, มะมานะแค่นั้นนะ บางทีตะกอนนุ่นละมาน่ะพอดีไม่ค่อยมีเวลาดูดีซ์บิ๊กไบเนี่ยต้องทำความสะอาดทุกวันเลยอ่ะทิ้งละมาน ม, มีบิ๊กไบทิ้งละมาดเลยมีมือถือก็ทิ้งละมาดเลยนั่นะนะฟิตนะฟิตนะโดนทดสอบแล้วหายหายไปแล้วทำยังไงอ่ะให้อิอมานของเรานี่มันเข้มแข็งโดนบททดสอบแค่ไหนเนี่ย เข็มเขมแข็งท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลมบอกกับสหายบอกว่าจงเข้มแข็งเหมือนผู้ศรัทธานายุกอ่อนกาูยุนัชรอูนบิลมะนาชีรเขาเอาเลือ่อยนี่มาพาสองซี่เลยเนี่ยพาตัวนี่พาร่างเนี่ยเป็นสองสอง สองส่วนเลยเนี่ยแม่เยฟตฮูดลิกอันดจะไม่เป็นบททดสอบให้เขาเนี่ยทิ้งศาสนาแม้แต่น้อยบททดสอบพวกเราเองอะ น, นะมันก็ไม่เคยมีโอกาสในยามคือในยามสุขสบายเนี่ยที่เรา อัลลอฮ์ให้เราได้มีอีมานมีศาสนาประกอบศาสนาิจเราค่อยไม่ค่อยมีบุไม่ค่อยมีโอกาสที่จะจำลองฟิตหน้าต่างๆจินตนาการฟิตหน้าต่างเดี๋ยวนี้เราละหมาดกันสบายเนาะมาฟังทับซีรกันเนาะ สบายวันดีขึ้นดีออกกฎหมายใครละหมานี่ติดคุกเห็นใครละหมานี่ตัดมือตัดขาลองจินตนาการดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บบาดเจบเจ็บเจ็บเจ็ บ, จ บ, จ บ, จ บ, จบ เราขอบคุณเราต้องขอบคุณนะยังไงสภาพไหนเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในสภาพที่ดํารงศาสนาเราต้องขอบคุณผมบอกกับคนที่ทํางานศาสนาเราอยู่ในประเทศไทยนี่ขอบคุณให้ดีเถอะพวกคุณนะไม่เคยไปทํางานศาสนานี่ในประเทศมุสลิมพวกพวกคุณไม่เคยไปจัดค่าย่นะจัดค่ายนี่ต้องแอบละหมาด นี่เราเคยไหมะละหมาดนี่แอบละหมาดเคยไหมแอบคิดดูดิต้องแอบละหมานไม่ใช่ประเทศอิสราเอลนะไม่ใช่รัสเซียนะไม่อยากจะบอกว่าประเท ศ, ศบางประเทศในเยาวชนในเยาวชนนี่เขาเคร่งศทาที่เขาเคร่งศาสนานะเวลาเขาไปค่ายเนี่ยแล้วเขานั่งรถบัสนี่นะเขาไว้เขาไม่ได้ ไว้เขานี่ก็โดนนะแทนที่จะไปจัดค่ายอนะั่นก็ไปอีกทางหนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดนเก็บไปอีกที่หนึ่งไว้เขาไม่ได้นะเขาไม่ว่าเขาต้องโกนเขาไม่พอเยอะโวชนี่จะโนเขาไปไหนกันนะ่ะเขาต้องทําอะไรออกมาเขาต้องมีกองต้องมีกีตาร์ต้องมีอะไรเนี่ยแล้วมีบุรีบุรีเนี่ยพอเจอด่านนะนะทุกคนนี่ก็บบุรีตาไม่จุดนะบุรไไีไว้ในปาก พอเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเออเด็กดีลองนี่ไม่ใช่เรื่องโจ๊กนะเป็นเรื่องจริงพอเห็นกีตา้าเห็นมีกองมีบุรีนะ่ะนะเออพวกนี้คงไม่ได้ไปจัดข่ายไปสอนศาสนาคงไปไปเล่ไปไปเลอะเทอะกันนะ่ะดีนั้นนที่เราต้องการแต่เราไม่ต้องการเยาวชนรู้จักพระเจ้ารู้จักศาสนาเนีย่ยเราไม่ต้องการ เราเคยไม่สัมปัติกับอะไรแบบเนี้เขาต้องขอบคุณนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องจำลองว่าเอแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดวิกฤตแนี้เราจะทำยังไงศาสนาเราเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่เราสละทิ้งหรือเปล่าต่อละซุบฮะโนวะดะลาฮีลาอูดัยชังเงะ وأن الله อัจรุลอ ع ซีม อย่าไปดูสิ่งตอบแทนที่มนุษย์จะให้อย่าไปกลัวการลงโทษของมนุษย์คืออย่าไปมองมนุษย์นะมองสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาละเตรียมไว้ว่าอันละลอฮอินดะ์อัุราะซีรงวัใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวะาะเตรียมไว้สำหรับเราสำหรับคนที่ยึดมัน่นสำหรับคนที่โดนทดสอบแต่ยืนหยัดโดนทดสอบเนีแต่ไม่เปลี่ยนแปลงมีจุดยืนชัดเจน ขอดูอดาตัลอัลลอฮตั้งแต่เกิดมาตบนบรรลุศาสนาภาวะแล้วเราได้มีอุดมการอะไรกับศาสนากับพี่น้องคนจำนวนไม่น้อยอะนะเกิดมาบรรลุศาสนาภาวะตัดสุนัตแลว้วอะไรแลว้วจนกว่าจะตายอะนะในจินตนาการในมนุภาพของเขาเนี่ยเขาไม่ประเมินตัวเองเลยว่าเขาทุจริตศาสนาหรือเปล่าเขาทาดีกับศาสนาของพระเจ้าหรือเปล่า เขามีจุดยืนหรือเปล่าเขาทำอะไรเพื่อปกป้องอิสลามหรือเปล่าเขาคำถามนี้ไม่เคยผ่านสมองเขาเลยแต่คนเรานี่ผู้ศรัทธาที่รู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักหลักการศาสนามากขึ้นเนี่ยต้องทบทวนตลอดเราเป็นฝ่ายไหนเนเราเป็นฝ่ายที่อัลลอฮ มองว่าเราเป็นผู้ปกป้องเป็นเราเป็นผู้ที่ดำรงซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์หรือเราอยู่ในฝ่ายที่กำลังทำลายอิสลามรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราอยู่ฝ่ายไหนกันแน่นั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องคิดบัญชีของตัวเองตลอดเวลานะครับอัสลาวซัลลัลลอฮะานบีนะมุฮัมมัดวะลอลฮิวะซบีฮิวะัลลัม